แต่มันก็ยังไม่ขาดต่อเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปค้นหาเหตุฐาปัจจัยกิเลสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดมาจากอะไรเมื่อปัญญาค้นคว้าหามันก็พบได้มีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละ เป็นขั้นสุดท้ายนะสามารถที่จะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาอย่าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆต้องรู้จักมีอุบายสอนใจหรือให้ต้องรู้จักค้นคว้าเพ่งพินิษให้เห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆ แต่ความจริงแล้วนะมันก็ไม่ใช่กื่นไกลอะไรการที่ปล่อยจิตให้คิดสงงายไปข้างนอกนั่นแหละมันเป็นบ่อกเกิดของกิเลสอ่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาสํารวมจิตอยู่ภายในเพ่งจิตไว้ภายในนี่จนชำนิชำนาน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 ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เป็นผู้ฝึกสติสมบัติญาให้แ ก, กล้าระมัดระวังจิตนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติคอยระวังอยู่นั้นเนี่ยมันก็รู้เท่าทันแหละเมื่อเรื่องใดกระทบกระทั่งมาจิตก็ไม่ทันได้วันไวไปตามเมื่อสติมันห้ามจิตให้หยุดยั้งได้จิตก็รู้เท่า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 เมื่อใจเข้มแข็งแล้วอะไรกระทบปามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นง่ายๆมันกำหนดพิจารณาทันได้เป็นเช่นนั้นควเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันจึงอยู่ที่ว่าการกระทาความเพียรให้ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย เคือการปฏิบัติธรรมเป็นอาการิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อเช่นสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็มีอยู่ทุกเมื่อถ้าเราพยายามะระลึกเข้าไปภายในอันสติมันมีอยู่ทุกเมื่อแนละ้วแต่ว่ามันเผลอละระลึกไปภายนอกนู่นมากต่อมากนี่นะ จนเป็นเหตุให้ลืมตัวก็มีออตนคิดอะไรตนนึกอะไรก็ไม่รู้ตนมีความคิดเป็นบาปอากุศลอย่างไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะเรียกว่าจิตใจนี้พอขาดสติสัมปชัญญะประคองรักษาแล้วมันจะแปรผันไปทั่วแหละคิดดีบ้างคิดชั่วบ้าง คิดไม่ดีไม่ชั่วบังผสมประสานกันไปอยู่นั่นให้เข้าใจทีนี้เมื่อเรามาฝึกสติสมัติเชนญะให้เข้มแข็งประคับประคองจิตนี้อยู่เสมอเสมอไปแล้วอย่างนี้มันมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องหมูนั้นนะจิตก็ย่อมสงบลงได้ง่าย กันพอจะน้อมลงไปสู่ความสงบอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์อื่นมารบ ก, กวนมันก็ดิ่งลงไปสู่ความสงบได้แต่ถ้าปล่อยให้จิตยึดอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆไว่มากๆแล้วอย่างนี้จะเราจะไปน้อมจิตลงถูงความสงบย่อมไม่ได้ง่ายนักมันไม่ยอมลงและกิเลสมันดันไว้ ดังนั้นน่ะทางที่ดีแล้วผู้เจริญสมาธิภาวนานี่มันต้องมีสติอยู่เสมอเยินเดินนั่งนอนกินเด่มพูดจาทำการงานอะไรก็ต้องมีสติะระลึกถึงตัวเองให้มันได้สมบัติชญญะก็รู้ว่าขณะนี้ตนทำอะไรอยู่ก็รู้เท่าการงานที่ทำนั้น รู้เท่ายัางไง ร, รู้เท่าว่าการงานที่ทำนั้นเน่ะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีก็สำเร็จได้บางทีก็ไม่สำเร็จอถ้าไม่สำเร็จก็ไม่ต้องเสียใจถ้าสำเร็จไปได้ก็ไม่ต้องดีใจเกินขอบเขตนี่เราตั้งความรู้สึกไว้ในใจอย่างนี้นะทำการทำงานอะไรก็ดี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 ก็ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยอขอให้เข้าใจกันการที่ว่าภาวนาได้ผลน่ะสมาธิแปลว่าใจตั้งมัน่เนเราฝึกคัดทำใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเมื่อเวลาความทั่วมากระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวไปตามรู้เท่าทัน เพราะธรรมดาคนมีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วปัญญามันก็มีอยู่ในนั่นแหละพอมีอะไรมาถึงเขามันก็ปัญญามันก็คิดมันก็รู้สิ่งใดควรละมันก็รีบสอนใจให้ละทันทีนี่แสดงว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญามันจึงรอบรู้ ในสพกองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าภาวนาไม่ค่อยได้พ้น่อให้พากันตั้งใจให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าเรามาพบคำสั่งสอนของผู้ประเสรศิฐ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 สร้างมั่นให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้จริงเห็นแจ้งในสัพสังขารทังพวงแล้วเชนี้ตนก็พ้นทุกไปไม่ได้นี่การที่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วก็รู้อย่างนี้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คนถอนตนออกจากทุกขในวัตาสงสารนี้ ด้วยอุบายปัญญาต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละเพราะองค์ไม่ได้สอนคนเป็นอย่างอื่นนะไอ้ที่ทรงสอนให้ทานรักษาศีลไหวพระภาวนาหมู่นี้นะล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะการที่บุคคลมีความโลภความตนีหวงแหน ในรับสมบัติภายนอกหรือห่วงแหนขันทั้งห้าอันเป็นภายในอันนี้ก็ดีมันเป็นทุกข์หลายนีนะ่ผู้ใดพิจารณาตามคำสอนของตัวเจ้านี่จะเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆนะความห่วงความหวงและความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนีนะ่มันเป็นทุกข์จริงๆนะอันนี้แหละ พระองค์เจ้าทรงพระประสงค์อยากจะให้ถอนตนจากความโลภความตณีเหล่านี้แหละให้เข้าใจจึงได้ทรงสอนให้บริจาคทานเพื่อชําระสันดานที่มีความโลภความห่วงความหวงอะไรต่ออะไรอยู่ในใจนั้นออกไปการที่บุคคลมีความโกรธจัดเป็นเจ้าเรือนมันก็เป็นทุกข์มาก อันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองก็เพราะความโกรดนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อมันโกรธมากๆเข้าไปแล้วมันลั่งไม่อยู่มันก็เบียดเบียนผู้อื่นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ลงมือทุบตียิงหรือว่าฟันหรือแทงผู้อื่นให้ตาย อย่างนี้ก็ใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิมแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บปวดภายในจิตใจนี่แหละมันมันต้องใช้วาจาทิมแทงกันซะก่อนทิมแทงให้เจ็บใจเมื่อมันเจ็บใจพอแรงแล้วแบนี้มันก็ยังไม่อยู่แล้วก็ใช้อาวุธทิมแทงกันแล้วบนี้นะประหารประหารกัน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 ทิพไห์วายวอดล่มตายไปอย่าได้พุทธได้เกิดอะไรอย่างนี้นะเหตุใจไปตั้งไว้อย่างนั้นนะ่ะมันก็เรียกท่านเรียกว่าพยา บ, บาดจองเวนบบ น, นี้เราเห็นโทษแห่งความจองเวนอย่างนั้นแล้วก็จึงมาตั้งจิตเมตตาขึ้นมาให้อาภาัยแก่บุคคลผู้แสดงตนเป็นศัตรูต่อตน ตนก็ไม่รังเกียจเขาเพราะเขามันมีนิสัยอย่างนั้นเขามันสะสมกิเลสอย่างนั้นมานานเขาอย่างละไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราควรให้อภัยเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วใจมันก็พงตกลงไปมันก็ไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วก็อธิษฐานใจขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุกทุกท่วนหน้า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 การที่ทรงสอนให้พารณาเห็นโทษแห่งความหลงไอ้ความหลงเนี่ยมันก็นับว่าก่อทุกข์ให้แก่บุคคลเหลือที่จะคานนาเช่นเดียวกันแหละขึ้นชื่อว่าหลงแล้วมันก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างไปอย่างนั้นนะดูดูมันจะทำผิดอะไรมากกว่าทำถูกธรรมดาคนหลงคนเมาดังนั้นแหละ พระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้กาจัดความหลงนี่ออกไปด้วยการเจริญสมาธิภาวนาถ้าหากว่าบุคคลไม่ลงมือปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วอย่างนี้ความหลงมันจะไม่เบาบางไปเลยเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วก็หมายความว่า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 ลอกฝ้าที่ปิดปางตาน่านออกได้แล้วนี่ตาก็สว่างมองเห็นอะไรได้ชัดเจนดีนี่ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละอันดวงตาภายในคือดวงจิตนี่นะถ้ามีฝ้าคือความหลงเข้าหุ้มห่อแล้วอย่างนี้ย่อมคิดอะไรก็ไม่ออกไม่สามารถจะรู้ เหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้เลยใครเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้<ม>ดังนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทพระพุทธเจ้าแนะนำอุบายที่จะกำจัดความหลงไว้แล้วคือการเจริญสมสถาวิปัฏนานี่ล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดความหลง นี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจทั้งนั้นเลยถ้าจะว่าไปอย่างหนึ่งแล้วไอ้ความหลงนี่นับว่ามันเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายแน่นอนทีเดียวอ่ะเพราะว่าจิตมันไม่รู้จริงในรูปอันนี้เหตุนั้นมัน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 เราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทีนี่จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยจริงโศโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดสงก็ไม่น่ารักใครอิ่ดีอะไรก็เมื่อเจริญปัญญาวิปัสสนาเพ่งพิจรารณาแยกเนี้ยร่างกายสังขารออกให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้นมันก็นั่น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 อย่าไปยินดียินร้ายกับรูปกายอันนี้นั่นแหละมันถึงจะถอนตอนหรือคือถอนดวงจิตนี่ออกจากความรักความไข่ให้เบาบางไปโดยลำดับพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภสูพังลงไปแล้วก็เพ่งเข้าไปจนมันถึงมันเป็นาธาตุลงไปน น, น่นหมดนี้ก็สิ่งเหล่านี้มัน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 เห็นอสุภาษุฟเข้าไปแล้วจิตสงบลงไปแล้วก็เพ่งร่างการนี้ลงไปมันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมก็ไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาเห็นแจ้งว่านามรูปนี่เป็นอนตัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังเลยนั่นเรียว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงว่าอยาไปยับยั้งอยู่แต่สมถะคือทําใจสงบอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นได้เพราะการทําใจให้สงบอยู่นั้นอํานาจแห่งสมาธิเพียงแต่ข่มกิเลสให้สงบทั่วอยู่สงบอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละ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 ตั้งสติสัมลูมจิตอันเป็นสมาธิอยู่นั่นแน่วแ น, น่แล้วก็เพจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างนั้นให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นโทษแห่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงดังกล่าวมานั่นนะด้วยปัญญาจริงจังเลยวันนี้นี่แหละการพิจารณาให้มันเห็นเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ถ้าเรามารู้แจ้ง เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามเป็นจริงแล้วไอ้ความโลภเป็นต้นดังกล่าวมานั่นนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อมันโลภมันอยากได้ของผู้นั้าเป็นของตนหรือมันโลภในกล้ามโลภในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งต่างว่านี้แล้วก็อาศัยสังขารความคิดความปรุงแต่งไป อาศัยวิญญาณความรู้ความรู้เรื่องหมดนั้นแต่วิญญาณนี่มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันมิตรู้ว่าสิ่งนั้นน่ารักน่าพอใจน่าอยากได้อย่างนี้นะแล้วอาศัยสัญญาไปจำหมายเรื่องนั้นไว้มเมื่อมันจำหมายไปมันเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทางใจนี่แหละสาเหตุที่คนเราจะรัก กิเลสต่างๆมีความโลภเป็นต้นไม่ได้กนะ็เพราะไม่ย้อนมาเพ่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมซึ่งไม่มีรูปร่างเป็นอาการของกิจนะเกิดจากกิจนี้แหละแต่เราต้องถอยกลับมาอย่าทรงใจคิดอ่านพุ่งแ่งเนื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นคือถอย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 มันก็สามารถบรรเทากิเลสต่างๆลงได้เพราะว่ามันรู้ต้นตอของมันนี่รู้ว่าจิตนี่มาหลงนามหลงรูปนี่แหละพูดสั้นๆกานที่มันจะเกิดเป็นความโลภความโกรธหลงหรือว่าจะเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมานี่เราต้องมาค้นมาเพ่งพินิโ ด, ดู